เห็นด้วยโซดาปฏิมักเนะจึงจะละอาสวะหทิละได้ด้วยการเห็นคือถ้าเห็นอริยสัจแล้วก็จะละสกายะทิธิวิจิกิจชาและก็สีลพัตะปรามาศได้ที น, นี้ต่อไปก็อาสวะทิละได้ด้วยด้วยอะไรนะด้วยการสังวร อ, อาสวะทิละได้ด้วยการสังวร น, นั้นสำเร็จด้วยสติเไห ซึ่งต้องพิจารณาโดยแยกคายแล้วสังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อที่ว่าเห็นแล้วกามาสะวะเป็นต้นจะไม่เกิดที่จริงแล้วอาสะวะสี่นะกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะและอวิชชาสะวะคูณกับทวารหก็จะได้อาสะวะ24่เนี่ยนะึ่งเป็นท่านให้ในัยยะไว้ซึ่งเราต้องไปตรึกต่อไปว่ามองเห็นแล้วเป็นกามาสะวะอย่างไร นะมีสีเป็นอารมณ์นี่นะขณะเห็นเนี่ยเป็นการมาสะวะอย่างไรเป็นทิฏฐสะวะอย่างไรเป็นภาวาสะวะอย่างไรเป็นอวิชชาสะวะอย่างไร น, นะนะทั้งทวารทั้งหกท่านให้ในายไหมที่เหลือเราก็เป็นหน้าที่ของเราซึ่งจะต้องไปไปตรึกไปพิจารณา <c oughs> ซึ่งตรงการสรุปตัวเลขให้เป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะถ้าเราตรึกอ่อนธรรมะในตรงนั้นเราจ ะ, จะเข้าใจอ่อนด้วย นี่ก็เลยมาหาทางอาสวะที่ละได้ด้วยการใช้สอยขออนุญาตถอยกับมาวนเมื่อวานพูดเรื่องนี้ใช่ไมฮะเจสัอ๋อตวจอวะที่ละด้วยการสังวรใช่ไหมอ๋อพูดผ่านไปแล้วใช่พูดเมื่อวานไปแล้วอ๋อฮะอืมตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอินทรีย์สังวรนั่นเองอ่าเจสันเป็นเรื่องของสติ เป็นเรื่องของสติสังวรสติสังวรสติเป็นเครื่องสังวรซึ่งได้กล่าวว่าถ้าหากว่าไม่มีการสังวรเนี่ยนะความทุศีลก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีการสังวรในทวารทั้งหกหนึ่งนะทงะทำให้เกิดการทุศีนสองก็จะทําให้เกิดการหลงลืมสติแล้วก็เกิดความไม่อดทน แล้วก็ความเกียรครานคือตรงกันข้ามกับสังวร5นะสังวร5มี1 น, นะ1ศีลใช่ไหมสสติสังวร3ายานะสังวร4ีคันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอินทรีสังวรไม่เกิดในทวารทั้ง6เนี่ยนะจะทำให้เกิดการทุศีลเนี่ยนะเกิดการทุศีลแต่ว่า ทุศีนเนี่ยจะเกิดได้ในมโนทวารอย่างเดียวไม่ได้เกิดทางวิถีจิตทางปัญจทวารนะชาวนะจิตทางตาหูจมูกเลนกายใจขณะนั้นไม่ทุศีลแต่ชื่อว่าอาสังวรเ น, นี่ยนะเพราะในขณะนั้นไม่มีสติสังวรไม่มีญาณสังวรไม่มีวิริยะสังวรและไม่มีขันติสังวรอ ศีลเนี่ยเฉพาะตัวกายตัววาจารจริงจเน้นคือศีลเนี่ยท่านล็อกเกี่ยวกับเรื่องกายวาจาเนี่ยนะความลําเมิดที่ล่วงออกมาทางกายวาจารเรียกว่าความการการผิดศีลเนี่ยน ะ, ะกรรมมีสามใช่ไหมกายกรรมวจีกรรมเป็นศีลเนี่ยนะกายกรรมกับวจีกรรมเป็นศีลเพราะฉะนั้นในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นทางชวนะในปัญจาทวารวิถีขณะนั้นเนี่ยนะ กุศลศีลไม่เกิดเห็นไหมแต่ก็ไม่เชื่อว um ่าล่วงศีลอะไรยังไม่เชื่อว่าล่วงศีลแต่ขณะนั้นชื่อว่าเป็นคนหลงลืมสติเชื่อว่าเป็นคนโง่เขาเพราะไม่มีปัญญาไม่มีญานสังวรและขณะนั้นเชื่อว่าไม่มีความอดทนอะไรเห็นไหมชื่อว่าไม่มีขันติสังวรและไม่มีวิริยะสังวรเชื่อว่าเป็นคนเกียจคร้านนะขณะที่ปัญจทวารวิถีชวนะเป็นอากุศลเห็นไหม เป็นทั้งคนหลงลืมสติสรุปนะเป็นคนหลงลืมสติหนึ่งเป็นคนรุ่มหลงเป็นคนเขลาว่างั้นเถอะเพราะไม่มียานสังวรไม่มีขันติสังวรเรียกว่าคนไม่อดทนและไม่มีวิริยะสังวรชื่อว่าเป็นคนเกียดครานด้วยแต่ถ้าหากว่าชาวนะทางมโนทวารวิถีเนี่ยนะซึ่งผ่านภวังมาแล้วเนี่ยไอ้ชาวนะอันนั้นเนี่ยได้ทั้งห้าอย่างเลยนะถ้าเป็นอกุศลเนี่ยสามารถให้ทุศีลได้ นนะหนึ่งนะสามารถทำให้ทุศีนได้หลงลืมสติด้วยนะแล้วก็ไม่มีปัญญาด้วยไม่มีความอดทนด้วยเป็นคนเกียดคร้านด้วยนันะเพราะฉะนั้นอินทรีสังวรเ น, นี่ยนะเป็นเป็นตัวหลักของสังวรทั้งที่เหลือทั้งหมดเลยเพราะถ้าอินทรีสังวรไม่มีศีลสังวรก็ก็เชื่อว่าวิบัติด้วยเหมือนกันเนี่ยนะหรือว่าพวกยาณะสังวร ขันติสังวรวิริยะสังวรก็ไม่เกิดสักอย่างพราะอันอนะินทรีย์สังวรนับว่าเป็นประตูด่านแรกที่มีความสัมพันธ์มากแต่อย่าลืมว่าอินทรีย์สังวรจะสําเร็จได้ด้วยด้วยอะไรด้วยสติแต่ที่ไหนใช้คําว่าสติที่นั่นก็ปัญญาเข้ามาด้วยเนี่ยนะสัมปชัญญะนั่นเองสติสัมปชัญญะเป็นประหุประการะธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอันถ้าหากว่าคนไม่มีสัมปชัญญะแล้วเนี่ยก็ยากเหมือนกันเพราะว่าสตินั้นเป็นเหตุที่ระลึก เป็นตัวที่เหตุให้ระลึกถึงกุศลและธรรมโดยชอบนะแล้วเป็นตัวที่จัดแจงว่าสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็รีบกำจัดออกไปสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็เพิ่มพูนขึ้นต่อไปซึ่งการทําอย่างนั้นปัญญานั่นแหละเป็นเป็นใหญ่ด้วยแต่ว่ายกสติขึ้นเป็นเป็นประธานเฉยๆอย่าลืมว่าในมหากุศลเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นไปกับคาสอนส่วนใหญ่เป็นญาณสัมปยุต นะส่วนใหญ่จะเป็นไปกับยานสัมพยุตเพราะทำด้วยความความรู้ความเข้าใจอาศัยการศึกษามาแล้วจึงเป็นปัจจัยให้การเจริญกุศลธรรม น, น, นั้นเกิดขึ้นท่านเราดูในอินรียสังวรนะฮะท่านท่านไม่ได้ลงมาลึกลงมาในรายละเอียดอย่างนี้เลยนะท่านเพียงแต่บอกว่าเราไม่เพ่งไปในนิมิตในอนุพยัญชนะเท่านั้นเองนะพูดเท่านั้นเองนะ ถ้าหากว่าเราไปเพ่งในนิมิตในอนุพยัญชนะก็หมายความว่าก็ทําให้เราเกิดอภิชาทําให้เกิดโทมนั์นี่ใช่ไหมท่านพูดเท่านี้เองนะฮะท่าของบอลก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดอภิชาโทมนั์ใช่ไหมฮะแล้วแต่ก่อนนี้เราก็ไปตีความกันว่าเอ๊ะเราไม่ไปเพ่งเร็งในนิมิตในอนุพยัญชนะนี่มันยังไงกันนะแต่ก่อนนี้ก็เลยมาเข้าใจกันว่าเพียงแต่ว่าเห็นเป็นสี ได้ยินเป็นเสียงโอ้ยนั่นแหละสังวรแล้วเเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปในเรื่องของนิมิตและอนุพยัญชนะใช่ไหมทักตอน น, นี้เข้าใจงี้มานานนักหนาเ <c oughs> ขาคิว่าโอ้เราได้สังวรเยอะแล้ว <c oughs> เก่งนะ <c oughs> แต่จริงๆว่าไม่ใช่อย่างนั้นเลยเจจริงๆแล้วเป็นเรื่องของอเมื่อ อ, อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปรากฏทางทวารทั้งหเนี่ย <c oughs> อยู่ที่ว่าโยนิโสโวมรติการยังไงแต่ละอย่างยังไงยังไงก็แตกต่างกันไปด้วยใ คือถ้าอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งปรากฏเนี่ยนะวันก่อนกล่าวถึงว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยนะไม่ได้สดับก็คือไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะว่างเปล่าเลยอ่าว่างจากกุศล น, นะอกุศลบริบูรณ์หนึ่งนะไม่ได้สดับสองไม่ได้พบพระอริยะหรือไม่ได้เห็นพระอริยะหมายถึงไม่เห็นอริยธรรมของท่านอะ่ะแล้วก็ต่อไปไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะ นะและไม่ได้รับการแนะนำคือไม่มีวินัยของพระอริยะนน ะ, ะตรงที่ว่าไม่มีวินัยเนี่ยนะหรือไม่ได้รับคำแนะนำตรงนี้หมายถึงวินยัยวินัยมีสองอย่างคือสังวรวินัยกับปหานวินยัยเพราะฉะนั้นในหนึ่งอารมณ์ปรากฏขึ้นเนี่ยนะมาสู่ทวารใดทวารหนึ่งเลยนะต้องเอาวินัยเป็นต้นเนี่ยใส่ลงไปในชั้นต้นถ้าได้สดับมาแล้วเนี่ยนะ ในอารมณ์นั้นคําสอนว่ายังไงก่อนเรียกว่าผู้สดัตย์แล้วถ้าพราะพารยาเนี่ยพระอรยะท่านแนะนําให้ทํำยังไงกับอารมณ์นั้นถ้าฉลาดในธรรมะของพระรยะเนี่ยควรจะตรึกยังไงกับอารมณ์นั้นแล้วมีวินัยของพระอริยะเนี่ยนะสังวรวินัยกับปหานวินยัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดการกับอารมณ์นั้นอย่างไรที่เป็นเนี่ยนะสังวรห้เนี่ยนะห น, ยนะหนึ่งสีละสังวร สีแลสังวรเป็นอย่างไรเกี่ยวกับหนึ่งอารมณ์อันเรื่องเรื่องเรื่องนี้นะยกความสําคัญว่ายกตัวอย่างว่าพระเนี่ยถ้าจะจับของของผู้อื่นเนี่ยท่านให้มนสิการว่าเหมือนจับอสราพิษเหมือนจะจับอสราพิษเนี่ยนะเพราะว่าบางคนเนี่ยจิตจิตเหมือนลิงนะบางทีลักนีมั้งแล้วก็เอจิตคิดจะลักแล้วถ้าหากว่ามันขยื่อนพ้นจากฐานเนี่ยนะประราชิชแล้วนะถ้าหากว่าวัตถุมันได้นะ นนะเพราะฉะนั้นเวลาจะจับของคนอื่นเนี่ยท่านท่านให้สังวองเลยว่าเหมือนกับจะจับอสารพิษอย่างนั้นเนี่ยท่านให้ให้สำเนียกใส่ใจแบบนั้นเลยนะจะได้ไม่วิปฏิสารทีหลังไม่งั้นถ้าหากว่าไปหยิบไปฉวยไปทำอะไรโดยที่หลงลืมสติถ้าแล้วว่างๆเนี่ยนะคนที่ตรึกธรรมะเนี่ยหรือพิจารณาธรรมะอยู่บ่บอยๆนะเหตุการณ์เก่าๆมันจะมาทั้งหมดเลยไปทาอะไรไว้ยิ่งวันไหนเผลอมากวันนั้ น, นจะมาบ่อย นะเหตุการณ์ในวันที่เผลอ ER วันไหนที่ไปหลงระเริงวันไหนที่ไปเป็นอกุศลนะเหตุการณ์เหล่านั้นจะมาหมดเลยมาให้เราทบทวนชําระหมดแล้วอุทัจะจะเล่นงานแล้วจะต่อด้วยอุทัจะอุทัจะและกุกุจกจะเข้ามาแล้วมาเดือดรอ้อนสังเกตจากพระภิกสุรายรูปเมื่อท่านศึกษาธรรมวินัยระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะท่านก็จะต้องทบทวนในพฤติกรรมที่ท่านทํามาไปเกี่ยวข้องกับอะไรได้เรื่องเดือดร้อนใจทุกเรื่องเลย เกี่ยวข้องกับวัตถุข้าวของเครื่องใช้เนี่ยนะนับตั้งแต่จีวรบริขารนะไล่มาเลยตั้งแต่ บ, บาทขาบาดายสะพายมายังไงจีวรมายังไงวิทยุมายังไงนาฬิกามายังไงนะมีดโกนมายังไงไล่แต่หัวจรดเท้าหมดเลยรองเท้ามายังไงทบทวนใหม่หมดเลยนะไอสิ่งที่เราไม่เคยสนใจพวกนั้นนะจะเข้ามาบ่อยอาหารไปฉันที่ไหนมาบ้างฉันยังไงอะไรยังไงมาจะเข้ามาหมดเลยเนีย่ยนะเสร็จแล้ว อุทจักกุกุจักก็จะเล่นงานตามถ้าไม่มีกาลยานาะมิตรช่วยแนะนําว่าแต่ปัญหานี้แก้อย่างนี้ปัญหานี้แก้อย่างนี้นะอุทจักกุกุจักก็จะเข้ามาแล้วจะเดือดร้อนหละนนกุศลไม่เจริญบางคนก็ฟุ้งไปหลายวานันนะบางคนเนี่ยฟุง้งจะทําไงหางานอย่างอื่นทำเนี่ยนะไปหาเรื่องอะไรก็ได้ทําสักอย่างหนึ่งให้มันลืมเรื่องรืองนั้นไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราขาดสังวรเนี่ยนะขาดเวลาที่เราไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆก็ตาม ถ้าไม่มีสังวรห้าสายเข้าไปนะเรานั่นแหละเรียกว่าเป็นปุตุชนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะเป็นปุตุชนที่เป็นอันทะปุตุชนเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นในสังวรทั้งห้ากับเนี่ยน ะ, ะสังวรสังวรห้าเนี่ยนะกับปะหานะห้าเนี่ยนะต้องพยายามสงเคราะห์ลงในทุกๆอารมณ์ไม่ได้ถ้าเราสงเคราะห์คําคว่าสังวรห้ากับปหานะห้าลงในอารมณ์ไม่ได้ เรานี่เป็นปุถุชนที่ค่อนข้างพัฒนายากเพราะว่าวิธีการแก้ปัญหาเรายัางยังยังไม่รู้จะแก้ยังไงเลยใช่ในหนึ่งอารมณ์นะถ้าสงเคราะห์ลงสังวรกับปะหะนะไม่ได้เนี่ยนะเราแสดงว่าเรายังไม่รู้วิธีแก้ปัญหาเลยเมื่อไม่รู้แก้ปัญหาแล้วมันจะหลุดพ้นได้ยังไงใช่ปัญหาของเรามันก็รกชัดสะสางไม่ได้นะถ้าไม่มีไม่มีธรรมะสิบอย่างเนี่ยนะไปแก้ไข ไปแก้ไขในอารมณ์นั้นๆแล้วอารมณ์นั้นนเนี่ยนะจะเป็นที่ที่ตั้งแห่งโมหะเป็นต้นพอโมหะเกิดแล้วยังอื่นเนี่ยตามมาเป็นพรวนโมหะเกิดแล้วอะไรเกิดอีกสังขารเกิดใช่ไหมอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปจัจจัยแก่นามรูปวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปสลายยตนาผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชราพยาธิมรณะสโสกะปริเทวทุกโทมณตอุปาญาต ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขังมวลก็จะมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นโง่อย่างเดียวเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยว่าตะยาวที่สุดแล้วที่บินว่อนบนหัวเราก็อาวิชานั่นแหละเป็นปัจจัยนั่นแหละสังวรห้าก็มีศีลสังวรสติสังวรญาณสังวรวิริยะสังวรแล้วก็กติสังวร น, นะครับเจนา อ, อันนี้เป็นเป็นอะไรวินัย น, นะฮะ เ, เรีกสังวรวิว น, วนัยนี่ ป, ะ ห, หรรปะหานาวินยัยยังไงครับปะหานวินัยก็ปะหานะห้าแต่ทางค่าปะหานวิเคราะพะนปะหานคือคือเข้าใจแต่เข้าใจแต่พยัญชนะครับเจนปานหมายความว่าถ้าสังวรห้านี่พอเข้าใจนะฮะคือถ้าศีลก็เอาศีลมาจับถ้าสติก็สติมากัน้น <c oughs> เอาญาณมาปิดวิริยะก็เพียนที่จะ เลิกละอะไรทำนองนั้นนะฮะคันติก็อดทน<ร>ความร้อนความหนาวความอะไรเนี่ยเข้าใจ<ร>น ะ, ะ<ร>เพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้ อ, อกิเลสมันมันมันมันลุกลามขึ้นมาถูกไหมครับเจนปาทีนี้พอมาขั้นปฐหา น, นี่นะครับตั้งแต่ตทางคะใช่ไหมครับตะทางคะเขาต้องหมายความว่าสูงกว่าสังวรอันนี้อประเภทเดียวกันนั่นแหละคือถ้าสังวรเกิดขึ้นก็จะมีปฐหานะอยู่ใน ในตัวตามแต่คุณภาพของสังวรถ้าศีลสังวรเกิดขึ้นก็เป็นตทางค้าประหารนนะสติสังวรก็เป็นตทางค้าประหารนะพวกตะกูลศีลทั้งหลายแหลเนี่ยเป็นต่ทางค้าประหารวิปัสสนาก็เป็นต่ทางค้าประหารเนี่ยนะส่วนสมถะเป็นวิขมพนะประหารอาริยมรรคเป็นสมุทเฉทประหารอาริยผลเป็นปฏิปสัสสติประหารนิพพานเป็น นิสรณะปฐานะเนี่ยนะตามแต่คุณภาพของสังวรถ้าตัวสังวรมีคุณภาพมากปหานะก็จะมากไปตามนั้นเช่นญาณะสังวรวิปัสสนาทั้งนั้นเลยะนะที่จริงญาณะสังวรเนี่ยกว้างนะยาณะสังวรนี้เป็นทั้งต่ทางค้าปหานด้วยเห็นไหมวิปัสสนาแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็เป็นตทางค้าปหานก็คือญาณะสังวรนั่นเองแล้ว ญาณสังวรเนี่ยนับมาตั้งแต่ปัจจยสานิสิตสินก็เป็นญาณสังวรเนี่ยนะวิปัสสนาก็เป็นญาณสังวรอริยมรตก็เป็นญาณสังวรอริยผลก็เป็นญาณสังวรพวกนี้ญาณสังวรหมดเลยท่านสังวรนั้นมีมีความสําคัญต่อปหานะมากคือที่ท่านกล่าวปหานะขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เห็นอะไรเพื่อให้เห็นสมุทัยสัตว์เนี่ยนะเพื่อให้เห็นสายกิเลสที่ที่ต้องละ แต่ถ้ากล่าวสังวรห้เป็นธรรมะที่สายกุศลเนี่นยนะค่าเท่ากับกล่าวสัจจะสองเน้นเ้นสัจจะสองคือสังวรก็เน้นสายมารรคสักเนี่ยนะสายกุศลธรรมสายมารรคสักที่ต้องพอกพูนขึ้นส่วนปหานะก็เน้นสายบาปสายอากุศลว่าเมื่อเจริญกุศลอย่างนี้จะต้องละอย่างนี้ได้นะถ้าเจริญถูกเนี่ยต้องละแบบนี้ได้ยกตัวอย่างถ้าเห็นรูปนามขันห้าหรือมีความเข้าใจขันห้าดีต้องละส ก, กายยทิฏฐิได้ ถ้าเห็นปัจจัยของขันท่าก็ละทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและมีเหตุที่ไม่สม่ำเสมอคือคือสำคัญเรื่องเหตุผิดไปอย่าไงแต่ถ้าหากว่ามีการใคร่ครวญพิจารณาจริงๆก็สําคัญละความสําคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ถ้าเห็นความเกิดก็ละอุเฉชทิฏฐิได้ถ้าเห็นความเสื่อมก็ละสัสนะทิฏฐิได้จะต้องมีการละตามลําดับนั้นไปผมอยากทราบความสัมพันธ์ระหว่างเนี่ยครับคือสังวรวินัยกับปหานาวินัยเนี่ย หมายความว่าถ้าสังวรวินัยเนี่ยเป็นเรื่องของมรคใช่ไหมครับแล้วก็ประหารวินัยเนี่ยกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่ออริยมรคกกน ะ, ะ, ะที่จริงก็เป็นในขณะที่สังวรนะโดยสัจจะเป็นทุกสัตย์เพราะเป็นมหากุศลทั่วไปแต่มหากุศลเหล่านี้เป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็นธรรมะที่ควรเจริญเมื่อบุคคลเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ที่สุดก็จะถึงอริยมรคได้ก็อยู่ในตระกูลที่ควรเจริญ ใช่ไหมก็ อ, มอยู่ในตระกูลของอมกษัตริย์เนีน่ส่วนสำหรับเรื่องปหานาวินัยนี่ก็อยู่ในตระกูลของสมุทยัยถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้เข้าใจ ว, าว่าสองอย่างนี้เขาจะต้องมีความสัมพันธ์กันใช่เมื่อผลหนึ่งทำขึ้นด้วยเหตุผลก็ต้องตามมาด้วยการละอย่างแบบนี้ใช่ไหมความสาคัญของอินทรีสังวรที่ที่เรา จริงๆก็ไม่ควรละเลยเนี่ยนะคำว่าสังอินทรีสังวรเนี่ยนะคือสังวร อ, อย่างไรอินทรีสังวร น, นั้นนะ่ะยกตัวอย่างว่าสติเกิดขึ้นเนี่ยใช้คำว่าสติโดดโดดเกิดขึ้นมาใช่ไหมสตินี้เป็นโสภณธรรมเนี่ยนะเป็นเป็นโสภณธรรมสติเกิดขึ้นนั้นก็ต้องเกิดร่วมกับมหาคุศลท่านมหาคุศลเกิดขึ้นเขาจะทำงานอะไร นั่นแหละเรียกว่าคนที่ทําให้กุศลแจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโดยที่เห็นแล้วไม่เป็นอกุศลนั่นแหละเรียกว่าคนที่มีสติสังวรแต่ทีนี้สติสังวรเนี่ยนะถ้าหากว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็พอมีบ้างเป็นครั้งคราวแต่การมีในลักษณะนั้นเนี่ยเรียกว่าเอาเป็นงานไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นการเป็นงานเพราะถือว่าไม่ได้รับการฝึกเหมือนกันเถอะแต่นี้เอามาฝึกเป็น เป็นอาชีพเลยวังนั้นเป็นอาชีพเพราะเป็นพื้นฐานของการเจริญกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยน ะ, ะการการที่สังวรแบบเนี้ท่านบอกว่าการสังวรเ น, นี่ยนะหรือพวกอินทรีย์สังวรก็เหมือนกับการทํารู้วาอาศีะละสังวรเ น, นี่ยเหมือนกับต้นข้าวอ่ะเราปลูกข้าวเนี่ยนะในนาข้าวซึ่งเขียวชะอมหมดทีนี้ถ้าหากว่าใกล้ทางอะซึ่งวัวควายเนี่ยโคจรเดินผ่านไป ถ้ารั้วไม่ดีเนี่ยข้าวเนี่ยหลุดหมดแน่เนี่ยนะลงไปพักเดียวแค่นั้ น, นเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นเอ่ออินทรีย์สังวรเป็นเหมือนกับรั้วว่าควรจะบริหารรักษากุศลธรรมอย่างไรเห็นแล้วควรใส่ใจอย่างไรอะกุศลจิตจึงไม่เกิดเห็นแล้วควรตรึกอย่างไรเพราะฉะนั้นตรึกก็คือเห็นแล้วใส่ใจในเรื่องของสมถะใส่ใจในเรื่องของวิปัสสนาใส่ใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะ หรือสายใจในอาการ32สองไปเล ย, เ, ลยนะเพื่อที่จะได้บาปอากุศลจะได้ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคนนั้นจะต้องเป็นผู้สะดับมาเป็นอย่างดีแล้วจึงจะเจริญกุศลธรรมเหล่านี้ได้สามารถที่จะแก้ปัญหาในทุกอารมณ์ได้เนี่ยนะโดยที่มีทั้งสังวรวินัยและปหาณวินัยกับทุกๆอารมณ์นั่นเองแต่ถ้าหากว่าไม่มีความเข้าใจระดับนั้นแล้วกุศลธรรมคงเจริญยาก เวนเรียกว่าเจริญแบบตามยะถากรรมตามเวนตามกรรมเท่านั้นเองคือคือไม่ได้เจริญในลักษณะพอที่อะไรควรควรลดควรเพิ่มควรอะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ยนะก็คือเจริญตามยะถากรรมถ้าเจริญตามยะถากรรมอย่างนั้นนี่ก็ก็แสดงว่าอะไรโยนิโสไม่บริบูรณ์เพราะอะไรไม่บริบูรณ์เพราะศรัทธาเราไม่บริบูรณ์คือคือการการที่เราสังบร n d เป็นต้นเนี่ยก็เรื่องของสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์เพราะมีโยนิโส บริบูรณ์โยนิโสที่บริบูรณ์เพราะมีศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์เพราะนะฟังธรรมมาอย่างบริบูรณ์เหมือนนเถอะฟังธรรมบริบูรณ์เพราะคบสัตว์บุตมาอย่างบริบูรณ์ความบริบูรณ์อันนั้นเนี่ยซึ่งมีความสําคัญมากต่อการเจริญกุศลธรรมเหมือนกับท่านอุปมานะถ้าเรานึกภาพสมมติว่าฝนเนี่ยตกบนดอยใหญ่ๆเลยนะตกเต็มที่เลยถ้าฝนตกเต็มที่เนี่ยนะน้ำข้างบนนี่ก็จะบ่าลงมา บาเรื่อยมาเรื่อยๆเนี่ยนะเสร็จแล้วยังแม่น้ําน้อยๆให้เต็มเสร็จแล้วก็มายังพวกนองพวกบึงใหญ่ๆให้เต็มน้องบึงใหญ่ก็จะยังแม่น้ําน้อยให้เต็มแม่น้ําน้อยที่เต็มก็จะยังแม่น้ําใหญ่ให้เต็มแม่น้ําใหญ่ที่เต็มก็จะยังสมุดสาครให้บริบูรณ์ได้เต็มเพราะฉะนั้นการคบสัตว์บุตรที่บริบูรณ์ก็จะยังยังอะไรให้บริบูรณ์คบสัตว์บุตรบูรณ์ก็คือยังฟังสัต์ธรรมนั่นแหละให้บริบูรณ์ การยังฟังศัตรธรรมที่บริบูรณ์ก็จะทําให้มีศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ก็จะทําให้มีโยนิโสมนัสิการคือฉลาดคิดแล้วเพราะตัวเองมีศรัทธาที่จะเจริญตามนั้นอ่ะใส่แล้วเอ่อโยนิโสมที่บริบูรณ์ก็ทําให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ก็จะทําให้อินทรีย์สังวรบริบูรณ์อินทรีย์สังวรบริบูรณ์อย่างนี้สุดจริตสมจะบริบูรณ์เห็นัหม ในเรื่องกายสุจเิตว่าจีสุจเรทจริงๆเนี่ยพื้นฐานมาจากอินทรีย์สังวรบริบูรณ์นะแล้วบางทีนั้นการที่ขึ้นต้นด้วยกายสุจเรทเลยเนี่ยโดยที่ไม่คํานึงถึงปัจจัยมาก่อนเนี่ยนะเราก็เข้าใจธรรมะซึ่งไม่รู้ปัจจัยอย่างตลอดสายสุจริสาที่บริบูรณ์ย่อมยังสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ี่ย่อมยังโพชฌงเจ็ให้บริบูรณ์โพชฌงเจ็ดยังวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ นะวิชาวิมุตติก็ยังวิมุตติยานทัศนะนให้บริบูรณ์หรือสนถึงที่สุดก็คืออนุปาถาปรินิพานจึงจะมีการดับรอบได้ถ้าหากว่าสายกุศลธรรมเหล่านั้นไม่เป็นไปบริบูรณ์ตามนั้นเนี่ย ก, ก็ลำบากแต่ว่ากระบวนการเหล่านั้นสำคัญที่สุดนะี่คำา1ฟังนะสุตตวาคือผู้ฟังสองพบหรือเห็นนะ่สมฉลาดสี่มีวินยัย สี่คำนี้สําคัญที่สุดเลยถ้าหากว่าสี่คำนี้ไม่มีเนี่ยนะนั่นแหละคือปุถุชนที่ไม่มีคําสอนหรือว่าปุถุชนที่ที่อ่อนจากสารณะเต็มทีละนะเป็นปุถุชนที่ค่อนข้างหน้าน่าเจริญกรุณาได้เยอะๆเลยไม่ผิดหวังเจริญการุณาได้มากๆเลยว่าสังสารทุกแน่ทุกจริงจริงด้วยนะทุกทุกขกายวิญญาณด้วยเพราะว่าสังวรไม่มีเมื่อสังวรไม่มีเนี่ยก็เท่ากับว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นเป็นชีวิตที่ปล่อยเด็มทีละ นะเป็นเป็นชีวิตที่ปล่อยเต็มที่แล้วหมดหมดทุกอย่างแล้วนะท่นที่จริง เ, เรื่องนี้ตามพระพุทธาท่านบอกว่าทําตามลําดับขั้นตอนอย่างนี้หรือเปล่านีไหมฮะเจนินปาเนี่ยทําตามลําดับปฏิบัติตามลําดับท่านพู้อย่างนี้เลยนะที่ท่กล่าวมาเย่าว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันขึ้นไปไเรื่อยๆเจิพนปอแต่แปลกที่ว่าในประเทศไทยนะ การพูดถึงสุจริตสามนี่ไม่ค่อยมีใครพูดหลายสำนักผมตั้งแต่ผ่านมาหลายสำนักผมก็ยังไม่ค่อยมีสำนักไหนเน้นเรื่องสุจริตสามเ้าไปโดยมากจะโดดเข้าไปขึ้นไปถึงสติปัฏฐานจะเอามโนสุจริตไงจะเอาเฉพาะสุจริตมี3ามเอาสุจริตข้อสุดท้ายอะสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายใช่ไหมไปเน้นตัวข้อข้อที่ข้อสิบเลยอะสุจริตมีหนึ่งกายะสุจริตกายะสุจริต3ามมจีสุจริต สมโนสุจริต3มโนสุจริตสามเ น, เน้นข้อ10เน้นข้อสุดท้ายข้อ3คือตัวสัมมาทิฏฐิเน้นปัญญาแล้วเน้นปัญญาเนี่ยนะไม่ได้ไล่ว่กากรรมสกตาปัญญาคืออะไรก็ไม่ไล่กรรมสกตาก็ผิดขั้นเองนะผิดระบบอีกเนี่ยนะไปขึ้นขึ้นไปหาอะไรนะวิปัสนาสัมมาทิฏฐิแล้ววิปัสนาสัมมาทิฏฐิไม่ได้มีพื้นฐานของกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิ อ่แล้ววิปัสนาสัมมาทิฏฐิก็มันก็ตั้งหัวเรือเนี่ยนะเหมือนกับตั้งรถอ่ะมันรู้ว่ากลับหัวกลับพังไปยังไงบ้างก็เหมือนจอดรถอ่ะนะผิดเรียกว่าขวางคลองบ้างอะไรบ้างจอดขวางถนนบ้างอะไรบ้างมันขัดกันไปหมดเสร็จแล้วก็ดึงกันอยู่นั่นแหละนะดึงกันอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่เจริญทีนี้ไม่เจริญนั้นก็มันวิบัติทีนี้ไอ้ความวิบัติอนันต์เนี่ยนะอวิชชาเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายที่สุด โดยที่ไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าไอ้ที่กาลังทำเนี่ยมันคืออะไรคือที่เป็นในลักษณะนั้นเนี่ยเพราะเพราะอ่อนอ่อนศรัทธาเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะส่วนใหญ่นี้ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรายเต็มที่นะักเรากล้ากล่าวได้เช่นนั้นเลยเพราะอะไรยกตัวอย่างเช่นเมื่อบุคคลกล่าวพุทธพจน์ขึ้นมามีคนปฏิเสธ เมื่อปฏิเสธนี่เรารู้เลยว่าเขาไม่ได้มีศรัทธาในพระตนะตรายเนี่ยนะถามว่าทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยไปดูทบทวนเรื่องที่จริงเมื่อวานก็ดูแล้วตอนบ่ายแล้วก็ตอนค่าก็ดูอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนอนทธรรมวินัยใดที่เราตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะธรรมวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อการล่วงไปแห่งเราเนี่ยนะคือถ้าพระองค์ดับขันปณิพนธธรรมวินยัยทั้ง8ปดหมพันธรรมขันนี่แหละ จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแล้วท่านก็อธิบายว่าธรรมวินัยทั้งหมดคือพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมทั้งหมดเนี่ยนะสรุปก็คือ 84% ดหมพันพระธรรมคันพระธรรม 84% ดหมพันระธรรมคันเนี่ยจะเป็นศาสดาซึ่งพระองค์ประสงค์ว่านะอัตถัถาท่านอธิบายว่าพระองค์นี้นิพพานแต่เพียงผู้เดียวส่วนพระธรรมคําสอนเนี่ยแปดหมพันพระธรรมคันก็เหมือนกับพระพุทธเจ้า 84% ดหมพองค์ คอยตามโอวาดอนุสาสนีแก่เธอทั้งหลายอันนัแล้วในดีกาพระวินัยเนี่ยขยายไปสองแห่งเลยเนี่ยนะในปฐมสังขีติก็ขยายในวินีตวัตถุทุติยปราชิกก็ขยายว่าพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์เนี่ยนะให้ความสําคัญว่าพระธรรมขันธ์แต่ละธรรมขันธ์นั้นอนะ่ะเหมือนกับพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เลยหนึ่งธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกล่าวคําสอนหมวดใดหมวดหนึ่ง ถ้าเขานับถือว่าสิ่งนั้นเป็นสารณะของเขาเขาจะไม่กล้าละเมิดเลยเนี่ยนะคือก็เหมือนกับสมมติถ้าพูดแบบภาษาเราๆรานะเราเคารพคนใดคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่ให้ประโยชน์เราเต็มที่เลยนะแค่พูดพลาดพิงในแง่ไม่ดีเนี่ยเราออกตัวรับทันทีเลยส่วนใหญ่นะถ้าเป็นคนที่เราเคารพยกตัวอย่างบีดามานดาของเราเป็นต้นที่มีอุปกระคุณมากเนี่ยนะถึงถึงคน สมมตินนะพ่อเราอาจจะไม่ค่อยดีนะักถ้าคนพูดไม่ดีเรายังไม่รู้สึกรู้สึกไม่ชอบเลยถามว่าจริงไหมจริงแต่ไม่ชอบเพราะเราเคารพอะ่ะอันนี้คือธรรมดานะแต่ในลักษณะนี้ก็เหมือนกันเมื่อบุคคลกล่าวธรรมวินัยหมวดใดหมวดหนึ่งซึ่งถ้าเป็นธรรมขันหนึ่งนะก็มีค่าเท่ากับพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เมื่อกล่าวถึงยกพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ขึ้นมาแล้วอีกคนหนึ่งปฏิเสธพวกขึ้นมาก็แสดงว่าเขาอ่อนใน ในศรัทธามกามกศรัทธาในพระรัตนตรัยเขาไม่มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิเขาไม่มีบุญกิริยาวัตถุข้อที่ถูกชุกกรรมไม่มีเพราะว่าการถึงสารณะก็คือที่ถูกชุกกรรมนั่นเองนี้มันวิบัติมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อวิบัติมาตั้งแต่ต้นแล้วก็อย่างอื่นก็พาอย่างอื่นวิบัติไปด้วยวิบัติทีนี้โดยระยะใกล้เนี่ยนะดูเหมือนไม่เสียหายระยะใกล้เนี่ยนะไม่เสียหรอกแต่ถ้าบางอย่างเนี่ยนะมองยาวๆแล้วจะรู้ว่าเสียหายจริงๆ นะมองระยะยาวเนี่ยนะมองอายุของศ า, าสนาเป็นต้นเนี่ยก็เสียหายมากแล้วมองชีวิตของตัวเองในสังสารวัตรเนี่ยยิ่งน่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยนะเมือ่อเมื่อเราเข้าไปกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งกับคําสอนเนี่ยนะโดยที่ด้วยอํานาจอะไรก็ช่างเถอะโดยที่เข้าใจผิดเนะี่ยเราก็มีโทษกับคำสอนเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็คือเป็นคนที่บางแห่งก็บอกว่าเกลียทุรีลงในศาสนาเนี่ยนะในะ ล, ะลักษณะนั้นถ้าคนที่ทํานั่นแหละก็มีโทษ แต่ทีนี้โทษอันนั้นเนี่ยนะถ้าเขายังยังวิบากกรรมมาทูบยังอุปธรรมอยู่นะซึ่งการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลของบุญเป็นเหตุให้มีบริวารมีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะบุญนั่นแหละแต่ชาวนะที่ทําใหม่เนี่ยคืออะไรเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษชาวนะอันนั้นเนี่ยอันตรายที่สุดมันอย่าลืมนะขนาดกรรมเนี่ยนะตัวเจตนาเนี่ยพระองค์อุปมาเหมือนกับบุรุษสองคนใช่ไหมมาถือแขนกันคนละข้างเพื่อเอาไปโยนในหล่มฐานเพลิงอะ ถ้าปฏิสนธิในภพที่ดีก็ว่าไปอย่างแต่ทีนี้เอาเครื่องอะไรมาเป็นเครื่องรับประกันเพราะว่าถ้าเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะในที่พระองค์ตรัสกับอนาถบินทิกาเนี่ยนะผู้ติปฏิญาณว่าเป็นพระโสดาบันบุคคลเนี่ยนะมีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระธรรมตรยัยเนี่ยนะคณะสุปาพุทธเนี่ยนะให้บอกว่ากล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าเขาพูดไม่ได้คํานั้นน่ะพระอินทร์นะลงมาเนี่ยให้เขาพูดคํานั้นน่ะแล้วจะยกสมบัติตั้งเยอะแยะให้อ่ะ พูดไม่ได้คํานั้นเนี่ยพูดไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์เขาเปล่าไม่ได้แล้วก็บอกว่านี่คือท่านมั่นคงในพุทธคุณอย่างนั้นธรรมคุณสังฆคุณแล้วท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ล่วงภัยเวรหประการศีลห้าต้องดีจริงๆนะล่วงภัยเวรหประการและมีความเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทเข้าใจในเรื่องอปัจจัยเป็นอย่างดี คําว่าเข้าใจปัจจัยนี้เข้าใจขนาดไหนก็สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจได้จึงจะเป็นพระโสดาบันได้แล้วท่านเหล่านั้นจึงจะปิดอบายได้ทําไมอย่างนั้นก็ก็ลําบากมันของเรานะถ้าศึกษาคําสอนไม่สามารถที่จะศึกษาให้ให้สมบูรณ์เราก็ลําบากเหมือนกันนะชวนะเรานี่แหละจะเล่นงานเรามีใครมาทําอะไรเราสักคนหรอกในโลกนี้มีใครทําอะไรเราได้นะนอกจากความคิดของเราอ่า ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทําเหตุไม่ดีไว้นะใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ไปเรียนเรื่องกรรมนะอะผลของการรักษาศีลเนะี่ยผลของการรักษาศีลนะในอัตตะขาอิติวุตกะกับในอัตตกขาคุตกะปาฐะท่านกล่าวไว้ะนะท่านให้เหตุผลว่าถ้ารักษาศีลข้อ น, นี้ดีจะมีผลอย่างไรบ้างรักษาข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าดีเนี่ยมีผลอย่างไงบ้างสรุปแล้ว ไ, ไ, ไอ้ความเสียหายทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นเนี่ยนะผลของทุศีลของเราทั้งนั้นแหละที่มันเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นความป่วยไข้สูญเสียของรักเป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้เกิดจากวิบัติของเราที่เราทำมาเองทั้งนั้นเลยไม่ได้มีใครมาทำให้แต่ว่าใกล้ๆเหมือนคนอื่นทำให้นะแต่แต่ถ้ามองเหตุไกลแล้วนะก็อย่างที่ที่พระโมคคัลลานะท่านถูกทุบใช่จนกระดูกเนี่ยละเอียดเป็นเป็นเหมือนกับเข้าสารหักอนะไรง้ก็บอกว่าจริงอยู่พระโมคคัลลานะเนี่ยโดยชาตินี้ไม่สมควรรอกที่จะถูกทุบแบบนั้นแต่ก็สมควรแก่เหตุลที่ไป ทำร้ายพ่อแม่เนี่ยนะที่ไปทุบตีพ่อแม่เนี่ยสมควรแก่เหตุแล้วล่ะอย่างสุ ป, ปาผู้ธามไม่น่าเป็นคนโรคเรือนน่ะก็สมควรแก่เหตุแล้วที่ที่ไปตําหนิพระปเจกับพระพุทธเจ้าอ่ะถมน้ําลายแล้วก็บอกคนโรคเรือนด้วยจิตที่ที่เป็นอกุศลเนี่ยนะฉะนั้นหลายคนเนี่ยนะอย่างอย่างสมควรแก่กรรมหมดพระเจ้าพิมพ์พิสารทําไมต้องถูกกรีดเท้าอะ่ะถูกกรีดเท้าแล้วไปย่างไฟตะเคียนอะ่ะทากเลือด้ว ย, ยไหมถามไหม นะกรีดฝ่าเท้าแล้วก็เอาไปย่างฐานหนังแดงเนี่ยนะก็กรรมมานั้นก็คือไม่มีความเคารพในในพระเจดีเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะไปทําให้ของสงบางอย่างเสียหายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหล่านี้เนี่ยสมควรแก่เหตุในอดีตนะแต่ในปัจจุบันดูไม่สมควรอุบาสกคนหนึ่งนั่งฟังธรรมทั้งคืนเช้ามาเนี่ยถูกเขาจับไปฆ่าแล้วก็บอกไปปล้นมาเขาว่ากลนะับไปจากวัดแท้ๆเลยมาฟังธรรมทั้งคืนอะ ก็บอกว่าไม่สมควรแก่กรรมในชาตินี้จริงแต่อดีตชาติเนี่ยเหมาะสมแล้วล่ะนะโยโยกาบินมาแล้วไฟมาสวมหัวตายพอดีเลยตรงนั้นเขบอกไม่สมควรกว็จริงเฉพาะตรงนี้นะแต่ว่าในอดีตเนี่ยสมควรอย่างจริงๆมันเหมาะสมนั้นชีวิตของเรานั้นเป็นเป็นเป็นชีวิตที่น่าน่าศึกษา ม, มากตรงเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยนะชาวนะที่เรากําลังนึกคิดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าไม่เอาสังวรเหล่านี้มามาใส่ในชีวิตเราเลยนะ เราเนี่ยนับว่าเป็นเป็นคนอาภัพจริงๆก็ว่าเป็นผู้อาภัพเลยเป็นอาภัพพระบุคคลเลยนะถ้าสังวรห้าไม่เกิดในใจเราเนี่ยนะปะหานะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดสังวรไม่เกิดวินัยไม่มีหรือนึกถึงคําสอนส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เวลาเกี่ยวข้องกับแต่ละอารมณ์เนี่ยเป็นอาภัพจริงๆเลยเนปะ็นอักเรว่าภัพพาคามโนอภัพพาคามโนว่างั้นเป็นอาภัพพระบุคคลเลยนะเป็นบุคคลที่น่าเจริญกรุณาให้มากๆเล ย, ยนะ เขามาก็เจริญกรุณาให้ตัวเองอยู่ทุกวันเนี่ยเลยรียบเรียบศึกษาหน่อย <c oughs> อ่ะทีนี้กล่าวถึงอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยต่อน่อยนะอาสวะที่ละด้วยการใช้สอยเนี่ยเป็นสังวรไหนในสังวรห้เป็นญาณสังวร น, นะอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเนี่ยเป็นอย่างไร คือพิสูจนในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายนะคํานึงถึงประโยชน์ของการใช้ผ้าอย่างเต็มที่เลยนะประโยชน์ของผ้าเหล่านั้นคืออะไร ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วฉันบินทบาทไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตตินสีเนี่ยเป็นไปเพื่อบำบัดความหิวเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าโดยอุบายนี้เราจักกาจัดเวทนาเก่าเสียได้และจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดารงอยู่แห่งชีวิต ความไม่มีโทษและการอยู่โดยภาสุขจกมีแก่เราแล้วจึงบริโภคอาหารภิกษุ์พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือกยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายที่เกิดจากฤดูและเพื่อความยินดีในการหลีเกเล่นเนีย่ยนะหลีเกเล่นทําอะไรก็เพื่อเจริญภาวนานั่นเอง จริงแล้วความสถานที่ที่ที่ควรเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่สําคัญมากเลยอย่างยกตัวอย่างนะเรากําลังพิจารณาพระธรรมอะไรสักหมวดอยู่หรืออ่านหนังสือธรรมะลึกซึ้งอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดใครเปิดเพลงเปิด เ, ดเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามาเนี่ยนะเราเนี่ยก็คลื่นของความคิดเราเนี่ยกระทบกระเทือนแล้วล่ะ <c oughs> คิดเราก็มีคลื่นแทรกวิถีจิตก็เหมือนกัน น, นะมีอย่างอื่นมาแทรกเลยเสียรูปเสียร่างหมดเลยความคิดเลยไม่เป็นระบบเลย เพราะฉะนั้นสถานที่ที่สังัดเนี่ยนะเกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมเป็นอย่างมากเลย น, นึกถึงคนที่อย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจ ะ, ะจะถวายวัดเนี่ยนะบอกว่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าพักอยู่นอกเมืองไกลามากอะ่ะบอกอจะหาที่ตรงไหนนะหลีกเร่นด้วยเนี่ยนะสังัดแต่ก็สะดวกในการไปการมาก็เลยถวาย เวรุวันนะแล้วก็อนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยก็ค้นหาสถานที่ทั้งเมืองสาวัตถีเนี่ยนะตรงไหนที่เหมาะสมก็เหมือเห็นสวนเจ้าเชษ์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นที่กล่าวนี้ให้เห็นความสำคัญของการหลีกเล่นพอสมควรว่าถ้าการหลีกเลนเนี่ยนะเสนาสนะไม่ส ป, ปายะเนี่ยการเจริญกุศลธรรม ก, ก็ยากเหมือนกันต่อไปว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยคีลานะปัจจัยเภสัชบริการ เพียงเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดจากอ า, าพาธต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วและเพื่อไม่มีความเบียดเบียนเป็นที่สุดซึ่งเมื่อเธอไม่ใช้สอยอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าหากว่าปัจจยัย4ี่เนี่ยถ้าไม่ใช้สอยก็ก็มีโทษเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าใช้สอยไม่เป็นก็มีโทษเหมือนกัน เมื่อเธอใช้สอยอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้พิสูจทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสะวะที่ต้องละได้ด้วยการใช้สอยเซึ่งกิจของการใช้สอยปัจจัย4เหล่านี้เป็นกิจของของปัญญานะเซึ่งเราควรที่จะทำความเข้าใจในในในศัพท์ว่าปัญญาอีกหน่อยนะอาจจะยกข้อความในอัธยาศนีกล่าวถึงถึงปัญญา เพื่อให้เห็นลักษณะของปัญญาเมื่อเกิดขึ้นนั้นเขาเขาเป็นอย่างไรข้อความในจิตตุปาธกาันเนี่ยนะขยายนิเทศเรื่องปัญญาว่ า, ป, า, าปัญญาธรรมะที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอาจว่าย่อมรู้ทั่วนะปัะชานะเนี่ยนะชาณะแปลว่ารู้ใช่ไหมปะเนี่ยแปลว่าทั่วนั้นปัญญานี้เป็นชื่อของความรู้ทั่วถามว่าย่อมรู้ทั่วซึ่งอะไร บอกว่าย่อมรู้ทั่วซึ่งอริยสัจทั้งหลายโดยมีในโดยในมีคําว่านี้ทุกเป็นต้นนะถ้าจะให้รู้ทั่วอย่างบริบูรณ์จริงๆก็คือรู้ทั่วแบบเห็นอริยสัจได้ที่จริงการใช้สอยจีวรเ น, นี่ยเกี่ยวข้องกับอริยสัจไหมสรุปการใช้สอยจีวรลงอริยสัจได้ไหมไน่าจะได้นะการแสดงก็ตรึกอ่อนนะนะ ติบ <laughs> วรก็คืออารมณหกใช่ไหมอารมณหกก็คือทุกขสัตตนั่นแหละใช่ไหมแล้าจีวรก็คือสีเสียงเปลี่ยนรสปโฑพระและกระทำอารมณ์เพราะฉนนัน้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นทุกขสัตว์ถ้าพี่จะถ้าไม่พิจารณาอะไรเกิดสมุทัยสัตว์เกิดะม <laughs> ันก็เกี่ยวข้องกับอริยสัตหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาจริงๆก็คือ อย่าลืมว่าการเจริญกุศลธรรมในผู้ศาสนาเนี่ยยังลงสู่อะไรยังลงสู่การแทงตลอดอริยสัจนะที่ที่สุดของการตรัสรู้ธรรมก็คือการบรรลุอริยสัจเพราะฉะนั้นคําว่ามีปัญญาจริงๆก็คือมีปัญญารู้เรื่องอริยสัจนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทาแต่ในอัธกถาท่านกล่าวว่าชื่อว่าปัญญาเพราะอัจว่าย่อมให้รู้ ถามว่าย่อมให้รู้อะไรตอบว่าย่อมให้รู้อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ่ะ น, นะปัญญานี่ไม่ธรรมดานะสามารถให้รู้ถึงความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะอาดว่าอะไรออ น, นิจจังนี่เพราะอาดว่าอะไรอาจว่ามีแล้วหามีไม่เนี่ยนะมีแล้วก็หมดไปชื่อว่าเป็นทุกขออ์ควาดว่าอะไรนะชื่อว่าทุกขออ์ควาดว่าหน้ากลัวพยัตเถนะ น่ากลัวชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะอส า, ารกัตเทนะไม่มีแก่นสาร น, นะ น, น, น, นี่นะเพราะนิจจังก็คือมีแล้วหามีไม่เป็นอัดของเขาทุกครั้งก็คืออัดถาว่รน่ากลัวแล้วก็อนัตตาเพราะไม่มีสาระไม่มีอัตตสาระนิจจาศาระสุขะสาร ะ, าาระอะไรในนั้นเลยหรืออีกนัยหนึ่งก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาว่า ง, งั้นญาทานิจจังตั้งทุกครั้งว่า ง, งัน ก็ปัญญานั้นชื่อว่าอินทรีย์ด้วยอาถาว่าเป็นอธิบดีเพราะครอบงําอวิชชาเนี่ยนะเป็นใหญ่เขาครอบงําความไม่รู้ครอบงําความความหลงว่า ง, งั้นอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าอินทรีย์เพราะครองความเป็นใหญ่กว่าธรรมะอื่นในลักษณะแห่งการเห็นนะในในบรรดาจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอย่างอย่างที่ยกมหากุศลขึ้นดวงหนึ่งในในกระดานเนี่ยปัญญานเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นอธิบดีเลยนะเป็นอธิปฏิปัจจัยเป็นอินทรียะปัจจัย เป็นปัจจัยทั้งหลายตัวจางติงได้อะไรบ้างสภาค่าคาตนาลืมหมด了吗นะเหตุปัจจัยได้อปัญญานี่เป็นได้กี่ปัจจัยนะาาปัญญานั้นอยู่ในกลมสหาชาตาชาตินะได้อะไรนะได้อะไรบ้างเอาหมายนะสหาชาติใหญ่ก่อนสหาชาตานิสยาอัติอวิคตะสปัจจัย สหชาติกลางนั้นปัญญาเป็นเป็นอะไรเป็นอธิไม่ใช่เป็นอัญญาปัจจัยเป็นสัมปยุตตปัจจัยนะปัญญานั้นโดยสหชาตชาติชาติเล็กเนี่ยนะเป็นเหตุปัจจัยเป็นอโมหเหตุเป็นอธิปฏิปัจจัยเป็นวิมังสาทิปติเป็นอะไรปัจจัยเป็นมรขปัจจัยคือสัมมาทิธฐิเป็น ปัจจัยอะไรอีกเป็นอินรียะปัจจัยด้วยนะนะเพราะปัญญินรีเนี่ยเนั้นเวลาที่ปัญญาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นขณะที่เขาเกิดขึ้นนะเป็นปัจจัยได้สิบเอ็ปัจจัยอะตัวของเขาเองเนี่ยเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยน ะ, ะตรงนี้ยกปัญญินรียขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเป็นใหญ่ในการเห็นอารมณ์มองันเถอะเห็นยังไงเห็นเหมือนจกักรโวิญญาณหรือเปล่า ไม่เห็นเหมือนจากครูวิญญาณนะเพราะจากครูวิญญาณแค่รู้แจ้งสีเฉยๆถ้าเห็นแค่สีเฉยๆเนี่ยนะคนไม่ได้ศึกษาธรรมะก็เห็นแต่ถ้าหากว่าเห็นสีเห็นสีแล้วเนี่ยถ้ามีปัญญาประกอบเนี่ยจะรู้ความลึกซึ้งของสีนั้นต่อไปอย่างไรสีคืออะไรนะสีเป็นรูปใช่ไหยเป็นรูปชนิดไหนเป็นอุปาทายรูปสีนี่เป็นอุปาทายรูปเนาะ เคยคิดไหมในในความเป็นอุปาทานยูปของสอีถ้าพูดคําว่าอุปาทานยูปเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเบื้องหลังเนะ่ยคือมหาภูตรูปเห็นไหมที่จริงเราเห็นเนี่ยนะก็คือเห็นสีที่จริงสีก็คื อ, อเป็นเป็นผลของมหาภูตรูปเห็นไหมเป็นรูปที่อาศัยมหาภูตรูปอะนะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คุณนะคุณนิสมบัติของมหาภูตรูปถ้ามหาภูตรูปเกิด สมมติมหาพูทรูปเกิดจากกรรมที่ดีสีนั้นประนิดด้วยถ้ามหาพูทธรูปเกิดจากกรรมไม่ดีสีนั้นก็ยากหรือว่ามหาพูทธรูปมีจิตเป็นสมุทฐานมีอุตุเป็นสมุทฐานมีอาหารเป็นสมุทฐานสีก็จะเป็นไปตามนั้นอันแสดงว่าเออของมางรังคิดๆเนี่ยนะวันนี้เดินคิดเออทําไมเราโง่จังนะที่จริงเราเรียนเรื่องไอ้มหาพูทธรูปสีเป็นนิสยะเป็นอัติเป็น อ, น อ, นอวิคตะปัจจัยแก่สีเป็นต้นเนี่ยเรียนมาตั้งเมินนะ วันหนึ่งเนี่ยมันนึกได้ว่าโอ้โหสีทั้งหมดเนี่ยก็คือมหาพูทธรูปนี่เองว่าทอะไรเมื่อก่อนเราทำอะไรอยู่ทาไมไม่เคยเอาคำนี้มาคิดสักทีเลยอะว่าสีทั้งหมดเนี่ยนะเบื้องหลังของสีนั้นนั้นคือมหาพูตธรูปทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสีไม่ได้เป็นปัจจัยแก่มหาพูตธรูปแต่มหาพูตธรูปเป็นปัจจัยแก่สีแสดงว่าเออสีเนี่ยเป็นปัจจยุปันธธรรมแล้วปัจจัยของสีนั้นนั้นเราก็อ่อน แสดง่าโอ้โหไม่เคยเอามาตรึกเลยเรื่องสีเนี่ยรู้รู้เรื่องสีก็รู้ไม่จริงสักอย่างางนั้นนึกนึกขำๆเหมือนกันโอ้โอาวิชาเราขนาดนี้เลยนะนนั้ได้อวดโง่บ้างเหมือนกันแล้วถ้าในสีสีนั้นเนี่ยนะเกิดจากกรรมจิตอุตตูอาหารก็คือสันตติสีนั่นเองเ น, นะเป็นสมุทฐานเป็นปัจจัยแก่สีนั้นนั้นเพรา ะ, ะนั้นเมื่อมหาภูตรูปเนี่ยนะเกิดจากกรรมสีก็เป็นไปตามตามแต่มหาภูตรูปนั้นนั้น เพราะฉะนั้นในสีนั้นๆเนี่ยนะเป็นอารัมมณปัจจัยแก่ของจกักรวิญญาณนะเสร็จแล้วถ้าสีเนี่ยเกิดจากกรรมถ้าเรามีปัญญาจริงๆก็จะพิจารณาเรื่องกรรมปัจจัยของของสีนะั้นะว่ากรรมเนี่ยเป็นปัจจัยของสีแต่ละอย่างได้อย่างไรอันนะี้คือกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิเสร็จแล้วถ้าหากว่าสีเนี่ยเกิดจากกรรมอย่างไร เมื holy, <can the peso again> ่อเราจักขูวิญญาณมีสีเป็นอารมณ์เป็นต้นต่อไปแล้วเนี่ยจะทํากรรมอะไรได้บ้างมีสีเป็นอารมณ์เป็นกายกรรมได้ไหมมีสีเป็นอารมณ์เป็นวจีกรรมได้ไหมเป็นมโนกรรมได้ไหมกายกรรมเป็นทั้งกุศลอะกุศลและนะกายกรรมเป็นทั้งกุศลและอกุศลวจีกรรมเป็นทั้งกุศลและอกุศลมโนกรรมเป็นทั้งกุศลและอกุศลเมื่อมีสีเป็นอาริมมะปัจจัยทํากรรมอะไรต่อไปอีกนะกรรมวัดเป็นยังไงแล้ววิปากวัดต่อไปเป็นยังไง ก็เรื่องตีเราไม่เคยมาตรึกเลยทำอะไรอยู่เนาะกำลังนึกๆอยู่เหมือนกันก็ปัญญานี้นั้นมีการส่องแสงเป็นลักษณะมีการส่องนะนะส่องแสงสว่างว่างั่นเถอะในลักษณะของปัญญามีสองอย่างนะหมีการส่องเป็นลักษณะแล้วก็มีการรู้ทั่วเป็นลักษณะมีสองใน ทีนี้ที่ว่าสองเนี่ยนะสองแสงสว่างเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเหมือนอย่างว่าเมื่อบุคคลจุดประทีปให้สว่างในเวลากลางคืนในบ้านที่มีฝาสีด้านเนะสมมติว่าเหมือนห้องเราที่กำลังนั่งเรียนใช่ไหถ้าเอาฝามาปิดหมดแล้วปิดไฟหมดเนี่ยนะก็มืดมิดใช่ไหมเสร็จแล้วก็ยังประทีปให้สว่างก็คือเปิดไฟใช่นะแสงก็จะเกิดขึ้นมองเห็นเลย ความมืดย่อมหมดไปแสงสว่างย่อมปรากฏชันใดปัญญามีการส่องสว่างเช่นนั้นเหมือนกันส่องให้มันเห็นอย่าลืมว่าปัญญาชั้นต้นเลยก็คือโดยบุญกิริยาวัตถุก็คือประเภทที่ถูกชุ ก, กรรมนั่นเองนะประเภทที่ถูกชุ ก, กรรมก็คือกรรมมกตานั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็จะส่องให้เห็นว่าอะไรเป็นกรรมและผลของกรรมเป็นต้นนั่นแหละเฉะนั้นถ้าหากว่าในแต่ละอา ร, รัมมณปัจจัยนะที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วนะ่ะ ถ้าความรู้เรื่องกรรมเราอ่อนปัญญาเราก็อ่อนด้วยปัญญาอ่อนแปลว่าอะไรที่จริงอ่ะคปัญญาอ่อนเนี่ยนะเป็นศั์รักษาไว้ที่จริงคำว่าปัญญาอ่อนก็คือไม่มีปัญญานั่นแหละปัญญาของทางธรรมะนะอ่าก็บอกว่าธรรมดาแสงสว่างเสมอด้วยแสงสว่างของปัญญาย่อมไม่มีเนี่ยนะจริงอยู่เมื่อมหาบุรุษ ผู้มีปัญญานั่งโดยบรลังหนึ่งมหาบุรุษนี้คือใครเจ้าชายสิทธัตถะนะมหาบุรุษว่า ง, งั้นหมื่นโลกาธาตุก็มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันท่านด้วยอนุภาพของปัญญาท่านเนี่ยท่านมองเห็นหมดเลยหมื่นโลกาธาตุนะงั้นด้วยเหตุนั้นพระนาเกเสนเถระจึงถวายพระพรพระราชาว่ามหาบาพิษในเวลาที่มืดค่ำแล้วบุรุษพึงเอาปฏิปเข้าไปวางไว้ในบ้าน ประทีปที่นําเข้าไปแล้วย่อมกําจัดความมืดย่อมยังโอภาษให้เกิดขึ้นย่อมยังแสงสว่างให้รุ่งโรดย่อมทําโรคทั้งหลายให้ปรากฏชันใดมห า, าิปีตปัญญาก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเกิดขึ้นย่อมกําจัดความมืดคืออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจสีเนี่ยนะไอ้กรรมและผลของกรรมเป็นอริยสัจหรือเปล่าเป็นไหมเ ป, เป็นนะผลของกรรมเป็นสัจจะไห เป็นเป็นทุกขสัตว์เนี่ยนะกรรมอ่ะนะคำว่าใช้คําคว่ากรรมกรรมจะให้ผลได้เพราะมีตันหาเพรา ะ, ะ น, นสายกรรมก็คือสายสมุทัยยศัหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นเห็นกรรมได้ผลของกรรมก็คือเริ่มเห็นสัจจะแล้วนะเพราะว่าการเห็นเรื่องกรรมได้ผลของกรรมนั้นอ น, อนุวัตตต่อการรู้เรื่องอริยสัจเพราะฉะ น, นปัญญานั้นเมื่อเกิดขึ้นก็กําจัดความมืดคืออวิชชาวิชามทําให้ไม่เห็นสัจจะเนี่ยย่อมยังโอภาษ โอภาษคือแสงสว่างอ่ะนะคือวิชาให้เกิดขึ้นย่อมส่องแสงสว่างคือยานให้รุ่งโรจน์นะปัญญาก็จะรุ่งโรดสว่างสวัยมาเงั้นของเรานี้สว่างมาเ ง, างี้ยยังนะมองข้างหน้าเนี่ยเห็นเรื่องกรรมหรือเปล่าตแต่แสดงว่าทําไม่เห็นเรื่องกรรมเป็นต้นก็แสดงว่าสว่างตาด้วยแสงไฟเนี่ย น, นะแต่ไม่ได้สว่างทางใจอะไรเลยาขนาดฟังแล้วยังไม่สว่างเนี่ยน ะ, จะเจริญกรุณาให้ได้เยอะๆเลย เขาบอกว่าย่อมยังแสงสว่างคือยานให้รุ่งโรจน์และย่อมทําอริยสัจ ท, ทั้งหลายให้ปรากฏเนี่ยนะคือถ้าถ้ามีปัญญาก็สามารถยังถึงอริยสัจ ท, ท่านกล่าวถึงเรื่องกรรมนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าสังเกตใช่ไหมอย่างเรื่องกรรมกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นอนะ่ะอยู่ในธรรมะตระกูลเดียวกันนะเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทก็คือกรรมมาวัดวิปากวัดและกิเลสวัดนั่นเอง อ, อย่างอย่างสีเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ย สีเนี่ยเกิดจากอะไรนะเกิดจากมหาพูทโธใช่ไมเมื่อกี้สีเป็นผลของมหาพุทูปมหาพุรูปนั่นแหละเรียกว่ารูปรูปเป็นปัจจัยแก่สลายตรนะนัสีเนี่ยเป็นสลายตรนะนเป็นอิจตนะภายนอกอิจตระหนาัภายนอกก็รับกระเทากับอิจตระนาัภายในทําให้เกิดวิญญาณวิญญาณก็เป็นปัจจัยแก่ภาษาภาษาก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาชาวนะก็แล้วแต่สะสมส่วนใหญ่ก็การมภพเนี่ โลภะเป็นส่วนมากเขาวางกันงนั้นปัญญานี่ก็จะส่องให้เห็นในความเป็นสัจจะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าหากว่ามีปัญญาก็สามารถส่องให้เห็นว่าเออเนี่ยเป็นสัจจะนะถามว่าชาติชราพยาที่มรณะอะไรอะไรชราก็สีนั่นแหละเขาบอกว่าหนังความที่หนังเป็นเกลียวอ่ะก็ใช้ศัพท์นี้เนี่ยนะเราก็ออจําคํานี้หนังเป็นเกลียวว่าอย่างนี้เสร็จแล้วไปคอยสังเกต น, นะเอาไปเห็น เห็นในรูปถ่ายรูปหนึงขอมมันเป็นเกลียวอย่างนั้นจริงๆเลยโอ้ชัดเจนนะโอ้มีหน้าท่านใช้สับนะหนังเหี่ยวเยอะเนือหนังเป็นเกลียวเนี่ยคือคุณลักษณ์อย่างหนึ่งของชาราว่างนั้นอเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่านั่นคืออะไรชาราชาราและเบื้องหลังของชาราพญาที่ก็อยู่ในตัวชารานั่นแหละถามว่าอะไรตายอะมรณะก็สิ่งนั้นแหละชีวิตตินรียดับไปอย่างชีวิตรูปอย่างนี้ใช่ไหม ชีวิตรูปเนี่ยหล่อเลี้ยงสีอยู่นี้ถ้าหากว่ารูปชีวิตตินทรียนั้นดับไปนั่นแหละเรียกว่ามรณะใช่ไหมแล้วก็อาศัยสิ่งนี้โสกกะปริเทวทุกโทมานั้นอุปายาตก็อยู่ในนั้นนะกองทุกข์ทั้งมวลก็อยู่ตรงนั้นแหละดงนั้นพื้นฐานเหล่านี้ก็ทุกเหล่านี้อย่างทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดจากอะไรเกิดจากตันหา น, นหะตันหาในอดีตที่ยินดีในกามภูมิเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้มีสีแบบนี้เป็นต้น แล้วถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะยะส่องให้เห็นเรื่องกรรมและผลของกรรมส่องให้เห็นอริยสัจเนี่ยนะปัญญาถ้ามีขึ้นก็จะลักษณะนั้น <c oughs> อีกอย่างหนึง่งปัญญาเมื่อเกิดขึ้นย่อมรู้ทั่วซึ่งธรรมะทั้งหลายเมื่อกี้เนี่ยเอาแบบอุกฤษหน่อยนะแบบสูงๆหน่อยก็คือปัญญาแสงสว่างมองเห็นอริยสัจเป็นต้นนะเอาลึกๆหน่อย ทีนี้ถ้าลดลงวันนั้นอีกลดลดความรู้ลงกวนนั้นอีกหน่อยก็คือปัญญาย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลของเรานะในชีวิตเรานี่กุศลมีเท่าไหร่นะโดยจิตก่อนนะกุศลโดยจิตมีมหากุศลและจิตแปดนะใครได้ฌานก็เยอะกว่า น, นั้นหน่อยแต่าน้มาไม่ใช่เลย ได้ชานะปัจจัยอยู่เหมือนกันวิต ก, กะเจตสิกเกิดบ่อยชานะปัจจัยเกิดนะชานะปัจจัยอนะโลภะก็มีชานะปัจจัยแต่ว่าชาญอย่างนั้นเนี่ยแปลบายนะบางทีอ่ะอ๋ะอก็คือมันเพ่งอารมณ์ไงคือคําว่าชาญก็คือเพ่งอารมณ์หรือเป็นชานะปัจจัยอ่ะนะไม่ใช่เป็นคือคําว่าชาญเนี่ยเพ่งกับเผ่ามีสองความหมาย น, นี่ก็คือเพ่งที่อารมณ์ นั่นแหละเรียกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นฌานตัวตัววิโตกเนี่ยเป็นฌานเหมือนกับวิตกเนี่ยนะเป็นทั้งฌานด้วยเป็นทั้งมรดุด้วยเห็นไหมเป็นทั้งฌานด้วยเป็นทั้งมรดุด้วยวิตกกะเนี่ยแต่เป็นฌานะปัจจัยวิตกกะปัจจัยนะแต่โดยสหชาติชาติโดยกลุ่มสหชาติชาติเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่ชาติอื่นนะแต่ก็ไปเป็นอุปนิสัยให้แก่อย่างอื่นได้ เราะันถ้าปัญญาเกิดขึ้นก็สามารถอย่างรู้ว่านี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลอกุศลมีเท่าไหร่สินะเออถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงเนี้ยที่กําลังฟังฟังเนี้ยถ้าเป็นกุศลจะเป็นยังไงถ้าเป็นอกุศลจะเป็นยังไงอันนี้ก็ปัญญาอย่างหนึ่งนะสามารถแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลและอกุศลถ้าโลภะเกิดนะถ้าฟังเสียงนี่รู้ได้ยังไงว่าเป็นโลภะเพราะส่ใจในสุภาษณิมิตของเสียงนั้น เนี่ยนะถ้าสายใจในปฏิฆานิมิตของเสียงเป็นโทสะอุเบคานิมิตเป็นโมหะฟังเสียงแล้วเป็นไปกับทานศีลภาวนาเป็นกุศลเนี่ยนะก็สามารถรู้ได้ว่าโอ้อาศัยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นทั้งอารมณปัจจัยของกุศลและอกุศลเสียงนี้เป็นอารมณะปัจจัยของจิตกี่ดวงเ <c oughs> นี่ยนะ เสียงนี่นะหนึ่งนะเป็นอารัมมณปัจจัยของโสตวิญญาณสองดวงเป็นอารัมมณปัจจัยของสัมปติชนะสันติรณนะโวทภณะเป็นอารัมมณปัจจัยของปัญจทวาราวชนะเป็นอารัมมณปัจจัยของอกุศลจิตสิมหากุศลจิต8มหาวิบาก8โดยตาารมณะนีนะของเราคงไ ม, ม่มีมหากิริยาเกิดนั้งมีไหม ไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ยินเสียงด้วยมหากิริยาซะส่วนใหญ่เนี่ยนะได้ยินเสียงด้วยมหากิริยาจิตคือคือในชาวนะของท่านนะะของเรานะสรุปโดยชาวนะมียี่สิบควาจริงมันเรื่องเรื่องเหล่านี้นะเพราะผู้ก็เข้าใจนะครับ <จน S 3> แต่าเราทําไมคิดเองไม่ได้ครับแส <c oughs> <c oughs> ดงว่าเรานในตึกอ่อนมากเลย เราตรกออนากจั้งเป็นความจริงอย่างนี้นะครับเมื่อเสียเกินเนี่ยอะไรจะเกิดจนมั่งกุศลหรืออกุศลก็จิตตานุปัสสนาไม่เคยเจริญนะก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วจิตตานุปัสสนาตามสูตรเขาว่าไงนะเมื่อจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะบอกแปดดวงเมื่อจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะก็คืออหตุกจิตและโสภณะจิตอหตุกจิตที่เหลือเป็นจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะสองดวงนะจิตปราศจากโทสะก็คืออหิตกจิตและโสมพนจิตเป็นต้นจิตมีโมหะสิบสองดวงจิตปราศจากโมหะก็คือพวกอเหิตกจิตเป็นต้นขึ้นมานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพื้นฐานเราตรึกเรื่องจิตบ่อยๆเนี่ยนะจิตตานุปัสสนามากๆอ่ะจะรู้เลยว่าหนึ่งอรมณปัจจัยเนี่ยจิตมีกี่ดวงเนี่ยนะตามตามนั้นเพราะฉะนั้นการที่ที่พระองค์ทรงแสดงเรื่อง เรื่องการเจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านสามารถจำแนกแยกแยะได้ถ้าพื้นฐานจิตานุปัสสนาดีนะทำมานุปัสสนาก็ง่ายอ่ะยกตัวอย่างนะถ้าจิตตานุปัสสนาว่าอย่างจิตมีราคาจิตปัาศจากราคาจิตมีโทสะจิตปัสศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะนจะตอนิวร์บพระง่ายเพราะจิตมีราคาเป็นการมฉันทานิวร์นะนะ เมื่อกามฉันทะนิวรณ์มีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ว่ากามฉันทะนิวรณ์มีอยู่หน้าภายในจิตโดยที่มีเสียงนั่แหละเป็นอารมณปัจจัยใช่ไหมเมื่อกามฉันทะนิวรณ์ไม่มีอยู่หน้าภายในจิตก็รู้ชัดว่ากามฉันทะนิวรณ์ไม่มีอยู่หน้าภายในจิตกามฉันทะนิวรณ์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดเพราะปัจใจใดหรือด้วยเหตุใดหรือโดยประการใดก็รู้ชัดประการนั้นด้วยปัจจัยที่กามฉันทะเกิดกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละด้วยประการใดรู้ชัดประการนั้นด้วย การมฉันทะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดต่อไปด้วยประการใดจะรู้ชัดประการนั้นด้วยนะโลภะอย่างนี้เนี่ยมาหมุนรอบและพิจารณาเห็นธรรมะอันนี้เป็นภายในบ้างเป็นภายนอกบ้างทั้งภายในภายนอกบ้างทั้งความเกิดบ้างธรรมดาคือความเกิดบ้างในิวรณ์เกิดเพราะอะไรเกิดเพราะมันได้ปัจจัยมันก็เกิดใช่ไหมอายนิโสเป็นต้นเป็นเหตุให้นิวรณ์เกิดจากตรงนั้ น, นทําให้เห็นว่า ให้เ ก, เกิดดับเนี่ยของโลภะท่านไม่ได้อุปาทถีติพังฆะนะนิวรณ์เนี่ยท่านไม่ไดแสดงลักษณะนี้เลยแต่ว่าถ้าปัจจัยที่ทําให้นิวรณ์เกิดนั่นแหละคือเหตุเกิดของนิวรณ์อานานะการเจริญกุศลธรรมเพื่อละนิวรณ์นั่นคือความดับของนิวรณ์เหนะ็นไหเพราะจะใส่ฟืนเหมือนกับไฟเนี่ยนะไฟจะสมมุติว่าไฟจะลุกไหมเพราะอะไรเพราะมีฟืน ม, มาประชุมประชุมมีเชื้อก็ติด ก, กันอยู่อย่างนั้นถ้าจะให้มันไหมนานขนาดไหนก็ได้ใส่ฟืนลงไปเรื่อยๆก็ไหมไปเรื่อยเพราะได้ปัจจัยก็จะไหมอ ย, อยู่อย่างนี้น ถ้าหากว่าจะดับไฟทําไงก็ถอนชักฟืนออกชักชักชักชักได้เท่าไหร่ไฟมันก็ดับเท่านั้นแหะอันนเหตุเกิดความดับจะแสดงในลักษณะนั้นเพราะว่าอุปาถิติพังค้านี่มันเร็วมากอ่ะนะมันเร็วจริงๆแล้วก็มีมีหลายสูตรเลยกล่าวถึงความเร็วว่างั้นจันรดวงจันร ด, ดวงอาทิตย์เนี่ยนับว่าเร็วมากชีวิตรูปเร็วกว่านั้นเยอะการเกิดดับอันนชีวิตรูปหนึ่งรูปเนี่ยเกิดดับเร็วคิดดูไอพ่นเนี่ยนะมันเร็วขนาดนั้นไง แสงเนี่ยเดินทางเร็ววัดเดียวเนี่ยโอ้โหเดินทางไกลมากมายเพรา ะ, ะความเร็วลักษณะนั้นถ้าไปตามเห็นตามนั้นเนี่ยโอ้โหจะรู้จิตจะเป็นยังไงเนาะจิตน่าจะเปอร์เซนต์เพี้ยนสูงกันไหคือคือบางอย่างเนี่ยนะมันมันไม่ใช่ว่าเรารู้แล้วเราจะรับได้นะบางอย่างเนี่ยนะถ้ามันความเร็วบางอย่างจนเกินไปยังไงจะไหมนั่งฟังเสียงอะไรที่มันพันหลายพันล้านเสียงซึ่งมันเร็ว ๆ, ๆคนจอแจจอแจไปหมดแล้วเราตั้งใจฟังเอาทุกคําเลยนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะ สงสัยอุทธจจามเล่นงานเต็มทีเลยเนาะเจริญกรุณาได้เลยว่าเปอร์เซ็นต์มีแล้วถ้าเรื่องธรรมะเหล่านี้นะถ้าขาดการตรึกสัอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมีแต่ อ, อกุศลเกิด <c oughs> ถ้าตึกต่างกับไม่ตึกมากครับเพราะว่าขนาะที่เราตรึกสมมุติว่ามีเสียงเป็นอารมณ์นี่นะตรึกว่าเสียงเนี่ยไปในเรื่องของกุศลหรืออกุศลนี่นะ ต่างกันมากแล้วถ้าลงไปนี้ว่าจิตดวงไหนด้วยนี่นะครับจิตดวงไหนด้วยมีปัญญาเกิดไหมไม่มีปัญญาเกิดไหมทิฏฐิเกิดร่วมด้วยไหมทิฏฐิไม่เกิดร่วมด้วยสังขารลิขสังขารลิกนี่นะเจนพันโอ้ความเข้าใจต่างกันมากเจนพันะผู้ที่ตึกย่อมเข้าใจชีวิตมากกว่าคนไม่ตึกผมพูดได้เลยใช่แล้วก็เที่สําคัญมากก็คือทําให้รู้ว่าอะไรเป็นกรรมและไม่ใช่กรรมคือคือเสียงหนึ่งเสียงนี่นะเป็นอา ร, รมณ์ปัจจัยของกายกรรมก็ได้ ทั้งกุศลและอกุศลเนีเสียงนั้นเป็นอารามณปัจจัยของวัจีกรรมก็ได้ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเสียงเป็นอารามณปัจจัยของมโนกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลดงั้นถ้าพื้นฐานเรารู้เรื่องกุศลอกุศลน้อยเราจะรู้ไหมว่าอะไรควรเสพไม่ควรเสพใช่ไหมดงั้นปัญญาเนี่ยทำให้รู้ว่านี้เป็นกุศลอกุศลนี้ควรเสพไม่ควรเสพควรเจริญไม่ควรเจริญนี้เลวนี้ปนิดแยกได้นะปัญญาเนี่ยเป็นตัวแยก นี้ดำนี้ขาวการหาธรรมมาสุกะธรรมมาเนี่ยนะสามารถรู้ว่าอกุศลทั้งหมดเนี่ยเป็นทำดำกุศลเป็นทำขาวและที่เข้ากันได้และเข้ากันไม่ได้อะไรเข้ากันได้มั่งอ่ะยกตัวอย่างว่าเวทนาอะไรใกล้กับเวทนาอะไรทําไมเราฟังเสียงเรื่องนี้ปั๊บต่อจากนึกถึงเสียงอีกเสียงหนึ่งวัดทันทีเลยเพราะเวทนาอันนั้นมันใกล้กันเห็นไหมเวทนาใกล้เวทนาไกลอ่ะอย่างโทมนัสเวทนามันก็ใกล้ต่อโทมนัสเวทนาทุกขเวทนาจะใกล้ต่อทุกขเวทนา โสมนัติเวท น, น, น, นาจากใกล้โสมนัติเวทนาอุเบกขาเวทนาจะใกล้กับอุเบกขาเวทนาอากุศลเวทนาจะใกล้กับอกุศลเวทนานีกุศลเวทนาจะใกล้ต่อกนะุศลเวทนาอัพยากตะเวทนาจะใกล้ต่ออัพยากตะเวทนาพวันเราจะไม่รู้อะไรมันเข้กากันได้อะไรมันใกล้กันอะไรมันไกลกัน <c oughs> แล้วก็เรื่องโทษอีกอย่างครับรู้อะไรเป็นโทษรู้อะไรไม่เป็นโทษถ้าเราไม่ตึกนะฮะมันก็มันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมา แล้ว ร, รู้อะไรว่าควรควรควรูควรร้ควกําหนดรู้แล้วเรารู้ว่าเสียงอันใดนี่ควรควรละเราเราไม่รู้เลยถ้าเราไม่ตึกนะ<ช>เราไม่ตึกพรื่าการตึกนี่จึงมีผลมากนะถ้าถ้าหากว่าเรารู้เราฝึกในเรื่องการตึกนะผมว่าคงจะคงจะเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะครับของเล็กซึงอันนี้นะคง น่าจะไม่ถึงมาอยู่ป่านนี้นะครับอ่านนี้บรรลุปไปนานแล้วครับ <c oughs> แล้วถ้าหากว่าเรามีการเพ่งบ่อยๆนะเสียงเนี่ยคืออะไรเสียงคือรูปอะไรอุปาทายรูปใช่ไหมเออแบบมหาภูต ร, รูปมันออกมาในรูปแบบเป็นเสียงได้คิดดูเนที่จริงเสียงก็คืออุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปนั่นแหละใช่ไหมเบื้องหลังของเสียงก็คือมหาภูต ร, รูปนั่นเอง มหาพูดเนี่ยท่านจริงใช้คำว่ามหาพูดเนี่ยนะตรงตัวบอกว่าเหมือนกับอะไรที่มันหลอกอะ่ะเหมือนเป็นจริงเป็นจังไปหมดเลยแล้วหูของเราก็เหมือนกันนะที่ตัวที่รับความใสที่สามารถรับเสียงไอ้ความใสอันนั้นก็มีมหาภูตรูปนั่นแหละเป็นเป็นเบื้องหลังแต่ว่าเสียงเนี่ยเกิดจากถ้าคําพูดนี้ก็มีจิตเป็นสมุทฐานใช่ไหมแต่ถ้าหูนี่มีกรรมเป็นสมุทฐานก็ต่างฝ่ายก็เกิดด้วยปัจจัยอ่ะ อาศัยช่องอาศัยความที่อากาศเนี่ยนะช่องว่างเนี่ยแต่ถ้ามีกําแพงมากั้นเลยนะเสียงรดเข้าไปไม่ได้นะเสียงก็อาศัยเนี่ยอากาศเนี่ยเป็นประตูที่สําคัญนะช่องว่างเนี่ยนะอากาศเป็นประตูที่สํ า, า, าสคัญให้โสตะวิญญาณนั้นเกิดขึ้นนะเพราะมีมนสิการด้วยให้ามานั่งหลับทุกอย่างนี่ไม่มีมนสัสการก็จบกันนะไม่ได้ยินเลยนะนะก็จะได้ยินอย่างอื่นแทนเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นนะ โสตวิญ ญ, ญาณก็เกิดเมื่อโสตวิญญาณนะนะอาศัยทั้งหูทั้งเสียงทั้งโสตวิญญาณเรียกว่า ภ, ภาษาภาษาอันนั้นเนี่ยหนึ่งคำเนี่ยนะพูดหนึ่งคำพูดคําว่าแม่ปั๊บเนี่ยเรานึกภาพไม่เหมือนกันทุกคนเลยเพราะภาษะต่างเวทนาก็ต่างเห็นไหมหลายคนเนี่ยคิดไม่เหมือนกันอ่ะแม่ใครก็คิดถึงแม่ตัวเองไงส่วนใหญ่จะไม่คิดถึงแม่คนคนคนเดียวกันหรอกพ่อเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนสนเพื่อนรักกันมากมใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าถ้าลักษณะเนี่ยเสียงหนึ่งคำเนี่ยมันให้เวทนาที่แตกต่างกันไปอีกเวทนาที่แตกต่างนะให้ตันหาที่แตกต่างกันไปอีกนะตันหาที่แตกต่างอุปาทานที่แตกต่างกันนี้ปัจจัยมันเยอะจริงๆริงมันถ้าพื้นฐานการวิจัยสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่องกรรมและผลของกรรมเราจะชัดเจนขึ้นว่าอะไรเป็น กรรมอะไรอะไรเป็นผลของกรรมอะไรถ้าตรึกเรื่องกรรมอ่อนเจริญวิปัสนาทําอะไรเพราะอ่า น, นะกรรมดําให้ผลเป็นเป็นให้ผลดํากรรมขาวให้ผลขาวกรรมทั้งดําทั้งขาว <c oughs> ให้ผลทั้งดําทั้งขาวกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมการเจริญวิปัสนาก็คือการเจริญเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเป็นไปเพื่อตัดกรรมนะไม่ไม่ไมเออไม่เหมือนกับการเจริญธรรมะขาวทั่วไป ซึ่งเป็นการเจริญกุศลเพื่อ ย, ยกตนให้พ้นจากสังสารทุกเนี่ยน ะ, ะปัญญานั้นความสามารถในลักษณะนี้ท่านอุปมาเหมือนกับแพทย์ผู้ฉลาดเหมือนกับหมอผู้ฉลาดย่อมรู้เพสัชเป็นต้นนะรู้ทั้งยาเป็นต้นรู้ของสแสลงเป็นต้นเนี่ยนะแก่ของคนไข้อะที่เป็นที่สบายเป็นที่สบายและไม่เป็นที่สบายแก่ผู้ป่วยฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ปัญญาก็เหมือนกับหมอนะีย ท่านจิงใช้สับนี้กันบ่อยๆปัญญาเนี่ยสามารถแยกแยะว่าอะไรมีประโยชน์ต่อคนไข้ไม่มีประโยชน์ต่อคนไข้ก็คือปัญญาเกิดขึ้นมาเมื่อเอาปัจจยุปันหรือผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นก็สามารถรู้ฐานะหรือปัจจัยของผลอันนั้นมาตั้งได้นะก็เหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่ายกโสตวิญญาณเกิดขึ้นมามาตั้งนะรู้ว่าปัจจัยของโสตวิญญาณเนี่ยคืออะไรบ้างโสตวิญญาณเนี่ยจะให้ดีก็ไปแต่งที่เสียง ถ้าโสตะวิญญาณประณิดเสียงประณิดเสียงปนิดโสตะวิญญาณปรนิดถ้าเสียงหยาบโสตะวิญญาณหยาบตามแต่คุณภาพของเสียงด้วยก็ตามแต่คุณภาพของธาตุเมื่อธาตุต่างภาษาต่างเมื่อภาษาต่างเวทนาต่างเสียงนี้เป็นธาตุไหมเป็นอะไรธาตุเป็นสัทธาตุนะแล้วในในในเสียงเนี่ยนะมีธาตุในใน ศัทธานว่ากากราบเนี่ยมีกี่ธาตุในเสียงเนี่ยมีกี่ธาตุ ม, มีกี่ยตนะในในเสียงทั้งกลุ่มรูปเลยนะอะเสียงมีก้ารูปใช่ไหมโดยกราบมีก้ารูปตกรูปกราบกันนะทบทวนม้างเรียนจุลตรีคืนนึงนะเสียงเป็นศัทธาธาตุเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยนะถ้าพูดมาเนี่ยมันจะมี มีสีออกมาด้วยนะในเสียงนั้นมีสีอยู่ด้วยสีนั้นเป็นรูปธาตุคำพูดนี่นะฟังใกล้ๆดูมีกลิ่นด้วยนะเป็นอะไรธาตุคันตธาตุนะฮะถ้าเก็บกลิ่นอันนั้นมาชิมดูเป็นรสธาตุเนี่ยพูดใกล้ๆเนี่ยมันกระทบนะเป็นอะไรธาตุเป็นโพธาตุธาตุยังเพราะนั้นแล้วไอโอ อ, โอชาที่อยู่ในนั้นเป็นเป็นอะไรธาตุ เป็นธรรมธาตุโอ้ธาตุต่างเยอะนะอโปธาตุที่อยู่ในนั้นก็เป็นธรรมธาตุนะเพราะในเสียงเนี่ยนะเป็นทั้งรูปธาตุสัทธาตุคันธาตุพระสาธาตุโพธภะธาตุและธรรมธาตุในเสียงหนึ่งกลุ่มนั้นเป็นได้หกธาตุแล้วหกธาตุเป็นอารมณะปัจจัยของจิตได้เท่าไหร่นะอันนั้นก็ความแตกต่างของธาตุไปอีกซึ่งเป็นธรรมะที่เราควรที่จะต้องเอาไปไปเพ่งพิจารณาบ่อยๆ ท่นพื้นฐานถ้ากุศลธรรมเรื่องศีลเป็นต้นเราอ่อนนะตรึกเรื่องพวกนี้ไม่ได้ฟุ้งซ่านห <c oughs> รือเวลานิดหน่อยครับผมดูๆแล้วท่านเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์มาวิจัยผมฟังวันนี้มันเป็นการวิจัยอย่างละเอียดละอ่อเลยก็ปัญญาก็คือเรื่องของการวิจัยปัจจาเนี่ยนะครับวิจัยวิจัยนี่นะฮความหมายของของปัญญาก็คือก็อ ค, อคือวิจัยนั่นเอง ตรงอยู่แล้วครับเดี๋ยวนะคำว่าปัญญาคือนะปัญญาก็คือปัญญินทรสีใช่ไหมเมื่อกี้ว่าปัญญินทรีสีมีในสมัยนั้นเป็นไนปัญญากิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมะความกําหนดหมายความเข้าไปกาหนดความเข้าไปกําหนดเฉพาะภาวะที่รู้ภาวะที่ฉลาดภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความค้นคิด ความใคร้ครวนปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางปัญญาคือความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญาอินทรีย์คือปัญญาปัญญาพละปัญญาเหมือนศาสตราปัญญาเหมือนปราศาสตร์สูงอะแสงความสว่างหรือแสงสว่างคือปัญญา แสงสว่างคือปัญญานะความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนดวงแก้วคความไม่หลงความวิจัยธรรมะสัมมาทิฐิในสมัยนั้นอันใด น, นี้ชื่อว่าเป็นปัญญียีในสมัยนั้นตรงมีคำว่าไข้รวนอันหนึ่งนะแล้ว ก, การคิดมีอยู่นะปัญญานี่นะการคิดการไข้รวนเนี่ยเรื่องปัญญาเจ้พนใช่แล้วก็ความหมายอันนี้นี่นะฮะ วิปัสสนาก็อธิบายอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยจนพหรือปัญญาชื่อว่าจินตาจินตาแปลว่าอะไรแปลว่าคิดใช่ไหมปัญญาชื่อว่าจินตาด้วยสามารถแห่งการคิดความไม่เที่ยงเป็นต้นนะนนี้มันค้นคิดอ่ะใช้จินตานใช้คำว่าจินตาแล้ววิปัสสนาอธิบายอย่างนี้เปียบเลยเอากรี้อวิปัสสนาอะไรปัญญาวิปัสสนาสัปพัญญาแลอะไรอี ปัญญาปัญญสีปัญญาพะปัญญาพละสัมปชัญญะสัมปชัญญะสัมมาทิฐิสมาทิิวิปัสสนาอันเดียวหมดเลยอันเดียวกันหมดเลยเชิญมาในเนอในอัตถสารีนีคือธรรมสังขินีและอัตถสารีนีขยายใน เอาเอาแบบที่มันฟัง <c oughs> ชัดๆหมที่กระดังดังเนี่ยนะคิดเรื่องนั้นกันเอ๊ะชักกับไปกันใหญ่แล้วก็เลยเลิก <c oughs> ชัก <c oughs> ชัก <c oughs> พอแล้วนะจะไปเป็นนักวิทยาศาสตร์จะไปนอกโลกไปวิจัยเสียงนอกโลกเอไปกันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใช่